พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกโวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่ายาตกขบวนเสาเข็มวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2560 พระในวัดของเรา45รูปวันนี้ลงมาชั้น 30, 33งด3ั2สัมภเนศหนึ่งไม่มีนากไปเลยนากสองม า, าวันนี้เสียโตกับคณะมาจากขนแก่นนะ นายทวีสันวิชัยวงศ์วงเล็บเสียโตพร้อมคณะและประชาชนทุกหมู่เหล่าขอน้อมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุธิมงคลหลวงตาวงเล็บหลวงตามหาบุนณสัมปัโนณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดอรธานีเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาท ถวายวัดป่านาคำน้อยเพื่อบาเพื่อบูรณะกำแพงที่ถูกน้ำท่วม เ, เสียหายห้ามืนบาทพวกเราอนุโมทนาสาธุนะสาธุหนึ่งล้านบาทนะยังนะยังยังจะเก็บรวบรวมอีกนะอันนี้มือต้นแต่ว่าเงินต้นนะหนึ่งล้านบาท เ, เพื่อจะลงเสาเข็มนะั่นนะลงพ่อว่านะ เ, เสาเข็มของหลวงตานี่นะ เสาเข็มของหลงตาเนี่ยถ้าได้อย่างเซโตเนี่ยสาสิบสองคนนั้นเอาพอเลยหลวงพ่อวะนะันไม่ต้องเอามากว่าได้สามสิบสองคนเลยเพราะมันเสาเดิ๋นี่มันเออพันพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดต้นเสาเข็มนะเสาเข็มที่หลวงพ่อได้ นอดนอดว่าตนีตงพ่อจดไปด้วยนะเสาเข็ม 1,251 งพนสองอต้นต้นละ 25,680 บาทรวมบัตแล้วนะรวมรวมร ว, วมค่าต่อค่าภาษีเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วคิดเป็นเงิน32ล้าน หนึ่งแสนสองหมืนห้าพันหกร้อยแปดสิบาทเนี่ยถ้าหากว่าได้อย่างเสียโตในยสามสิบสองคนหลวงพ่อพอเลยมันต้องหายไม่ต้องหา ย, ยาวพวกเรานั่งอยู่ใ น, นมกนี่ <c oughs> นะคนเลยเนี่ยมันเกือบร้อยคนมั่งเนี่ยเหรอเอาละเอาคนละเอาคนละเอาคนละร้านละร้านเบียเสียโตนะพวกเรานะอือโอ้ในอุ่นใจได้เนี่ยหลวงพ่อได้ยินแล้วอุ่นใจเลย อแต่หลวงพ่อเนี่ยจ ะ, จะเดี๋ยวจะโอนเข้าไปนะอถ้าเมื่อใดมันพร้อมแเราจะหลวงพ่อจะไม่เก็บไว้นานจะพยายามโอนเข้าไปให้เร็วที่สุดอืเพื่อให้ได้ใช้งานมเมื่อพวกเราอได้ทําบุญไปแล้วเนะี่ยเหมือนกับพวกเรารักเคารพบูชาในองค์หลวงตาอย่างสุดซึ้งอย่างสุดหัวใจนะเหมือนกับพวกเราทําลงไป ฐานแรกเนะี่ยคือฐานพระเจดีย์เจดีย์จะมั่นคงขึ้นมาได้ก็เพราะฐานถ้าฐานพระเจดีย์ไม่มั่นคงแล้วเจดีย์จะอยู่ไม่ได้นานนะเพราะนั้นทาไมเสาเข็มนี่จึงแพงก็มีกรรมวิธีหลายอย่างเสียโตเป็นผู้รับหมอก่อสร้างคงจะรู้ว่าเสาเข็มตัวนี้มันย1สเดเมตรความยาวแล้วก็หน้าก็สาสห้าคูณสสิห้า แล้วก็มีเหล็กพิเศษคร่าเหล็กพิเศษให้เข า, ข า, ขาไม่ใช่เหล็กธรรมดาแล้วก็มีสารสำหรับไม่ให้เกลือเกลือเข้าไปกัดสนิมได้อีกสารอะไรสารฟอตเฟตอะไรเขาว่าเลลมพ่อก็จำไม่ได้ผสมกับปูนซีเมนต์เวลาตอกลงไปแล้วเพราะว่าอุอรานครเราเนี่ยเป็นเมืองปูตัดอยู่ที่เมือง อ, อรุอ ร, รานปูตัดพระวั เมืองเกลืออยู่ใต้ใต้บาดาลแต่ถ้าเราตอกลงไปเนะี่ยเกลือมันจะกัดอกัดปูนซีเมนกัดเหล็กพอกัดเหล็กเนะี่ยแต่เจดีไม่ใช่มันเบาไปข้างหน้าเนะี่ยมันหนักอยู่ตลอดเวลาไนะมันถ่วงน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเมื่อไหร่ปูนกัดเหล็กกัดปูนเข้าไปแล้วก็ปูนก่อนก็สุดเนะี่ยพอมันหมดหมดอายุมันก็สุดเจดี JD ก็จะสุดพังทลาย เพราะนั้นเราผู้ที่ออกแบบก็จะให้อยู่นานเท่านานเป็นพันปะีไเพราะนั้นเขาจึงคิดฐานตัวนี้ให้มั่นคงเสาเข็มตัวนี้กับเสาเข็มพิเศษและตอกลงไปอีกถึงยี่สิบเอดเมตรที่เขาจะตอกให้ลึกที่สุดแล้วก็ให้เสาเข็มก็ใหญ่ตอกถึงตกทีอีกต่างหากนะเป็นพัน เป็นพันสองร้ห้าสิบเอ็ดต้นพอฉะนั้นจึงเป็นเงินมากนะลูกหลานนะแต่ว่าของดีราคาถูกมันมันก็หายากเหมือนกันนะพวกเราคิดดูก็แล้วกันะของดีราคาถูกมันหาไม่ได้หรอกของดีต้องราคาแพงเหมือนเพชรนินจินดาเลยเหมือนจะให้เหมือนกับก้อนกรวดก้อนหินได้ยังไงก้อนกรวดก้อนหินจะให้มันแพงเหมือนเพชรนินจินดาได้อย่างไงมันธรรมชาติของมัน ของดีต้องราคาแพงอันนี้เ ข, ขเขาคิดดีแล้วละ่ะทั้งวิศวกรทั้งหลายคนอืไม่ใช่แต่วิศวกรเขาจยางคนเศ้ามาคิดช่วยกันอีกหลายคนคิดนะเขายังออกมาอย่างนี้นะแต่ถึงอย่างไงกนะ็พวกเราก็เป็นประสบในกรพวกเราอยู่เป็นกองหนุนกองเสียกร์ดูเหมือนกันนะเราก็ไม่ใช่ว่าใจเชื่อแต่เขาอย่างเดียวก็ไม่ใช่ เราก็พร้อมที่จะท้วงติงได้ถ้ามันผิดปกตินะเพราะมันเป็นเงินของพี่น้องประชาชนเป็นเงินบริจาคนะไม่ใช่เงินของผู้ใดใครผู้หนึ่งจะเป็นใหญ่ไม่ได้คนคนนั้นเป็นใหญ่ไม่ได้หลวงพ่อจะเป็นใหญ่ไปได้เพราะเงินเป็นเงินบริจาคเงินบริจาคที่ต้องโปร่งใสสะอาดการใช้ใจ่ายอะไรต่อไปต้องบริสุทธิ์แต่หลวงพ่อก็มั่นใจมั่นใจในพี่น้อง ศรัทธาญาติโยมของหลวงตาหลวงพ่อเหมือนกันนะนะไม่ไว้ใจในระดับหนึ่งเหมือนกันนะ่อแต่ไว้ใจตลอดไปไหมหลวงพ่อก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะว่ากิเลสเนะ่ยมันอาจจะมีกิเลสตัวนี้อาจจะมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงความโลภตัวนีนะ้อาจจะมีในจิตใจแต่ถึงยังไงก็คิดว่าพวกเราลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตานะ น่าจะยับยั้งได้ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้อง เ, อเราก็ไม่ควรจะามาล่ำรวยกับเจดีย์ของหลวงตาเราควรจะไปหาความล่ำรวยจากที่อื่นทำมาค้าขายที่อื่น ส, สแวงหาทรัพย์จากที่อื่นตรงนีเ้เป็นที่เพาะชำบบุญกุศลเป็นที่ปลูกสร้างบุญกุศลในพระเจดีย์ขององค์หลวงตา เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะถ้าว่ามาเอาแสวงหากําไรจากเจดีย์องค์ลงตาเนี่ยมันล่อแหลมต่อนรกเหลือเกินเฮ้บาปกรรมเหลือเกินติดพบติดชาติไปอีกนิมนานเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านผู้เกี่ยวข้องในพระเจดีย์ของลงตาเนี่ยต้องทุ่มเทเอ่อทุ่มเทอย่างสุดความสามารถอันนี้คือเป็นที่ปลูกฝังเออเป็นเนื้อนาบุญที่ดี ถ้าเป็นนาก็เป็นนาที่ดีคือไม่ดีที่พิ้งดียังไงคือปลูกพระเจดีคือปลูกตรงที่ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระหรหันต์เป็นหมดเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแต่บนยอดพระเจดีเราก็จะบรรจุพระประหลสารีใิกราตัใส่บนยอดพระเจดีพระหรหันต์สาวกแตก่ตรงข้างล่างเนี่ยเป็นลูกขององค์หลวงตา เป็นปัจเจธิธาต์ประธาต์ของหลวงตาแล้วก็มีรูปเหมือนของหลวงตามีพระพุทธรูปมีรูปของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงต า, าจากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์ประวัติของหลวงตา เ, าเลหลายๆไม่ใช่ประวัติหลวงตาประวัติครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นในพิพิธภัณฑ์นะั้นล้วนแล้วจะมีคุณค่ามีประโยชน์อยู่นานเท่านาน เป็นเครื่อง เ, อเป็นเรื่องราวที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาแต่ผู้มีอุปนิสัยมีบุญกุศลเก่าพอได้ศึกษาได้อ่านประวัติของครูบาอาจารย์แล้วก็จิตใจจะซึมซับเข้าสู่ธรรมะจากนั้นก็รู้จักวิธีการเอาตัวอเอาตัวรอดสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจ เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราที่ วางลากวางฐานแต่ทีแรกเนี่ยนะอที่พวกเราวางรากฐานแต่ทีแรกนี่ยคือเสาเข็มเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะถึงเสาเข็มตอนนี้มันตีเพืชไปหมดทั้งหมดนะทั้งพระเจดีย์ด้วยทั้งศาลาลายดงทั้งพิพิธภัณฑ์ด้วยเนื้อที่ทั้งสามสิบแปดไรแ่แต่ติดมันจะลงตรงไหนก็ไม่ไมรู้ล่ะเอที่ว่าตอกเสาเข็มหนึ่ง เป็นพื้ไปเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเร า, เาที่เป็นลูกศิษย์ลูกห า, ล, กหาลูกหลานองค์หลวงตาที่รักเคารพเชื่อฟังในธรรมคําสอนขององค์หลวงตาเนี่ยพวกเราคนถวายเสาเข็มเราคนเหมือนกับเราปรนมมืออยู่ข้างล่างปนมมืออยู่ข้างล่างหลวงตาอยู่ข้างบนหลวงตาเนี่ยเป็นธรรมเลยเป็นอริยะสงฆ์เป็นอริยะสงฆ์เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วนะ หมดจดจักกิเลสแล้วนะนั่งอยู่บนบนหัวของพวกเราพวกป น, นมเมอนะ๋ยพวกเราตั้งความปรารถนาได้เลยสารุนูเอ่ยสร้างพระเจดีย์ได้ทําพระเจดีย์ขององค์หลวงตาได้วางเสาเข็มในพระเจดีย์ขององค์หลวงตาขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงขอให้มาเกื้อกูลหนุนข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรื่องการงานก็ดีเรื่องกิจการใดก็ดีที่เป็นศีลเป็นธรรมขอให้ราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าเดิน อ, อด้วยกายว่าใ จ, จาใจของข้าพเจ้าขอให้ไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมให้พบแต่บัณฑิตนักปราชญ์ให้พบแต่คนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมให้อย่าได้คบคน ภาละชนทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่มันดีอย่าได้พบได้ผ่านอย่าได้พบได้เห็นขอให้ไปในทางที่ถูกต้องเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานแล้วก็ขอให้เข้าไปเจ้าพ้นทุกข์ในวัฏสงสารที่พระพุทธเจ้าได้ตั ด, ต ด, ตดรู้ธรรมอันใดภาษาวกทั้งหลายได้ตัดรู้พระธรรมอันใดพ่อแม่ครูบาอาจารย์องคหลวงตาได้ตัดรู้ได้บรรลุธรรมอันใด ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมตามที่พระพุทธเจ้าพระหารีสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บรรลออุด้านนั้นเทินนะก็ได้เห็นดวงตาเห็นธรรมตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รู้ได้เห็นทุกประการนั่นเทินนะนีออ่แหละคือความปรารถนาของเราไม่ใช่ปรารถนาต่ําๆนะอย่าไปปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าร่ํารวยสวยงามเ อ, อมีลาบมียศ มีสรรเสริญอันนั้นมันปาถนาในวัตตะนะวัฏฏะบนวัฏฏะบนเวียนในวัตฏะสงสารมันไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้าเราปราถนะถึงพระนิพพานประวัติเป็นที่จุดจบนะเป็นที่จุดจบถึงพระนิพพานแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะคณะทายาทโยมนะทั้งจะทําบุญมากทั้งจะทําบุญน้อยนะสร้างพระเจดีของลงตานะี่ขอให้ปราถนามักผล น, ผนิพพานบุญกุศลจะเป็น เต็มเม็เต็มหน่วยทีเดียวหลวงพ่อมั่นใจนะอพอเราทํากับพระผู้บริสุทธิ์ผุดผ่ององค์หลวงตาเนี่ยฟังดูซิธรรมะของท่านเราฟังเมื่อใดก็ซึ้งใจเมื่อนั้นธรรมะขององค์หลวงตาและก็ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถงึงจนถึงโค้งสุดท้ายของท่านพวกเราเห็นแล้วก็การปฏิบัติของท่าน เ, เป็นศีลเป็นธรรมน่าเคารพกราบไหว้สักการะบูชา เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านเนะี่ได้ทำบุญกับวงหลวงตาถึงจะมากจะน้อยก็นี่แหละด้วยจิต ด, ด้วยใจปรารถนาอันมักผลนิพพานนั่นแหละแต่สำหรับวัดของหลวงพ่อเองที่น้ำท่วมน ะ, ะก็พอเป็นไปได้อยู่เพราะเหตุหอะไรเพราะจตุปัจจัยทีงานกระถิน่นก็รองท้องไปอยู่หลวงพ่อยังไม่ได้ใช้ เพราะนั้นก็ออกมาใช้ในจุดนี้แหละอีหลงตุงหนังอีหลังตังนุง่งคิดว่าไม่หนักหนาคิดว่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนะศรัทธ า, า, า, าญาติโยมทุกคนเนี้ข่าวเนี่ยหลวงพ่อกําลังเน้นหนัก เ, เน้นหนักพูดทีไรก็นเน้นหนักเรื่องเสาเข็มเพราะว่าจะตุปัจจัยมีไหมมีมีคืออยู่ในบัญชีใหญ่นะครคือหลวงพ่อสุจัยนั่นแหละ แต่ท่านก็ยืนยันเือนยัดออกมาเป็นระยะระยะอยู่เดี๋ยวนี้มีปัจจัยทั้งหมด515สบหล้านกว่า น, ะน้อยๆนะ อ, อ, อันนั้นก็คือปัจจัยที่จะลงเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเจดีพิพิธภัณฑ์หรือศาลาลายทั้งะแต่ตัวนี้นะ่ที่เราที่รวบรวมกันใหมนะ่คือเราต้องการเสาเข็มแยกออกจากแยกออกจากพิพิธภัณฑ์จุดนั้นนะ เคือเสาเข็มอีกต่างหากนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ประกาศให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะถ้ารู้แล้วก่อนนะ่ะโอนเข้าบัญชีอย่างที่หลวงพ่อได้บอกวันวานมันก่อน น, ะนั่นแหละเอ่อนานๆหลวงพ่อจะบอกอีกทีหนึ่งนะเรื่องเลขบัญชีนะเลขบัญชีมีอยู่แล้วถามถามไถเ่เพื่อนกันก็ได้นะถ้าหาว่าอยากจะได้โอนเข้าบัญชีของบัญชีเสาเข็มของหลวงตานะ แต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อวทาว่าผู้ใดเอามาถวายหลวงพ่อได้แต่หลวงพ่อน่อยากจะให้คนหนุ่มหนุ่มสาวทั้งหลายพวกที่รู้เรื่องบัญชีเนี่ยโอนเข้าบัญชีหลวงตาไปเลยห ล, ลงบัญชีหลวงพ่อสุดใจไปเลยบัญชีเสาเข็มหลวงพ่อสุดใจทันตมโนบัญชี อ, อมรัพนะที่อมรับหลวงพ่อสุดใจทันตมโน แหละเลขบัญชีหลวงพ่อเขาพูดแล้วละ่ะเมื่อวานเนี่แต่วันนี้หลวงพ่อไม่พูดอีกหรอกเดี๋ยวพูดซ้ําซากเดี๋ยวลูกหลานจะลาคาญนะเดี๋ยวคุณแก่ทำไมพูดลํารีลําไรมากนักจะว่าอีกละ่ะหลวงพ่อก็แก่จริงจริงนะวะลูกหลานนะอายุเจ็ดสิบสามปีไม่แก่ได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเนี่ยพนั้นขอให้ลูกหลานสืบ ส, สอบดูก็แล้วกันนานๆหลวงพ่อจะพูดให้ฟังอีกที่นึงอแต่ถึงยังไงจุดประสงค์หลวงพ่อเนะี่ยเธอชเธอชูบูชาองค์หลวงตา อยากจะได้จตุปจัจอยากจะให้ลูกหลานทุกคนเนะี่ะบางคนก็อยากจะทําบุญยุ่แต่เพิ่งได้ยินหรือบงยังไม่ได้ยินเพราะลูกศิษย์ลูกหาลงตามีมากนะอผู้เท่าผู้แก่ก็มีคนนั้นขอใลูกหลานผู้ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนะี่ยบอกให้ปู่ย่าตายายเอของตัวเองได้รับรู้รับทราบเลยเนอะเป็นบุญเป็นกุศลนะลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะอืม เราได้ยินเสียงธรรมะได้ยินเสียงบอกกล่าวเรื่องบุญกุศลเราบอกต่อไปเนะ่ยเกิดพบหน้าเชาิดชาติหน้า ม, า เ, า, มเาเราจะไม่หูตึงเลยเราจะไม่หูตึงหูหนวกเลนะแต่เราได้ยินเสียงธรรมะมาแลยเฉยขวางหูอีต่างหากไปได้ไนดะอเกิดพบหน้าชาติหน้ามาหูตึงเนะี่ยหูหนวกกันท่นเพราะอะไร เ, เพราะว่าไม่ได้บอกกล่าวทั้งที่เขาอยากจะรู้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอยากจะรู้นะ แต่ตัวเองกันเอาไว้กลัวพ่อกลัวพ่อแม่เขาทําบุญกลัวเขาตัวเองได้เสียเงินฮะอย่างนั้นมันไม่ถูกนะอแต่ถึงยังไงเราก็ต้องทําถึงจะมากหรือน้อยเราก็ต้องทําเออถึงจะทันจ ะ, จะทํามากเราก็บอกเออเกินไปละมั่งคุณยายขนาดนี้ก็น่าจะพอแล้ว น, ะนี่แหละอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะ่ะแต่ถึงยังไงต้องทำหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเลยนะแต่ถึงยังไงต้องทํากับเจดีองค์หลวงตา แค่แปลว่าถ้าไม่ทําแปลว่าผิดหวังละพลาดหวังละอทั้งที่เนื้อนาที่ดีเราเราไม่ได้ทําเราไม่ได้หว่านพืชลงในานาที่ดีแปลว่าผิดหวังนะเพราะนั่นอย่าได้ผิดหวังนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมทุกคู่ทุกคนนะหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้พูดแต่เรื่องเจดีของหลวงตาเพราะหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะว่าหนักใจไหมก็มีส่วน คือคล้ายๆว่าเป็นการบอกกล่าวโน้มน้าวเพราะเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งคือเราเป็ น, น, นหน้าหน้าที่เป็นผู้นำเป็นผู้นำหน้าเป็นผู้เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องใดยังไงลูกหลานขนาดหลวงตาจุตินิ่พราผานไปท่านยังมีพินัยกรรมให้หลวงพ่อเนี่ยมีพระสีองค์ท่านเองในพินัยกรรมเพราะนั้นหลวงพ่อจึงถือว่า ถือว่าหลวงตาท่านก็คงจะบอกกล่าวเป็นในอีกเหมือนกันเพรนั้นหลวงพ่อในฐานะที่เป็นลูกลูกลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานเหมือนทาทั้งหลายนั่นแหละแต่หลวงพ่อเนียืนอยู่ในแถวหน้าหน่อยจึงบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันแสดงพลังคนละมากคนละน้อยเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาเพื่อสร้างเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเขาเนใี่ยสำเร็จรูล่วงนะเอาต่อนี่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพรนันติน่านะ